หลังจากได้กล่าวแท้ซองสะดุดีและสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วบทนี้ได้กล่าวเตือนผู้ศรัทธาถึงการผิดสัญญาหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยความกล้าหาญและความทรหดของผู้ศรัทธาเพราะเขาต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงส่งนั่นคือการเชิดชู ด, ดวงประที่แห่งสัจธรรมและเทิดทูนคำกล่าวของอัลลอฮ์ให้สูงส่งบทได้กล่าวถึงแนวทางของอลัลลอฮ์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 ด้วยชีวิตและทรัพย์สินเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรพร้อมกับชัยชนะอย่างทันตาเห็นในโลกนี้บทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาให้สนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์ดังเช่นสาวกของนบีอีสซาได้กระทํขาขณะที่ท่านได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้ช่วยเหลือเหตุที่ชื่อบทนี้ว่าอ so ัสซอฟเพราะบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้ ซึ่งก็ต้องมีการตั้งแถวจัดแถวจึงให้ชื่อว่าบทอัสซอฟซึ่งแปลว่าแถวนั่นเองด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ <S s wa wa wa wa สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแซ่ซองสดุดีแด่อัลลอ และโปรงเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณโอผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพวกเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำเป็นที่น่าเกลียดยิ่งณนะที่อัลลอ์การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำ แท้ ص ص จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดติดกัน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 แล้วล้อนั้นจะไม่ชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มชนที่ฝ่าฝืน และจงรำลึกถึงเมื่ออีชาบุตรของมารยมได้กล่าวว่าโอ้วงวานอิสราอีนเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นาศาสนาทูตจากอัลลอ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 พวกเขาปราถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่เราเป็นผู้ทำให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตามหั้ที่อัลลสูลหผวนหดนาวม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 และที่พำนักอันบรมสุขในสวนสวรรค์อันสถาพรนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่และสิ่ง อ, อื่นอื่นอีกที่พวกเจ้ารักชอบมันคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และการพิชิตอันใกล้นี้ และจงแจ้ง yeah, ข uh ่าวดีก nah ับบรรดาผู้ศรัทธาเถิด โออบตผู้ศรโอพัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลือนในหนทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีชาบุตรของมารยัง่ง ได้กล่าวแก่บรรดาสาวกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปยังอลัลลอฮ์บ้างบรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอลัลลอฮ์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาและอีกกลุ่มหนึ่งได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เราได้ช่วยเสริมกําลังแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้เหนือกว่าศัตรูของพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะ